สัพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสามิวันนี้ก็จะได้แสดงรม มัทเทศนาเพื่อจะได้เป็นเครื่องประดับสติปัญญาของญาติโยมสาวทุชนทุกท่านในชีวิตของคนเราปรกติก็ต้องผ่านพบกับสิ่งต่างๆมากมายสิ่งต่างๆที่เราผ่านพบนั้นเนี่ยโดยทั่วไปก็จะมีอยู่สองอย่างก็คือว่าเป็นสิ่งที่น่าพอใจ และไม่น่าพอใจหรือว่าเป็นสิ่งที่ให้สุขเวทนาแก่เราและสิ่งที่ให้ทุกขเวทนาแก่เราให้ความสบายใจความไม่สบายใจความโปร่งเบาความค้่องขัดและเมื่อเจอหรือผ่านพบสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าโดยการได้ยินได้ฟังได้เห็นหรือว่า โดยการคิดคำหนึ่งก็แล้วแต่เราก็มักจะมีปฏิกิริยาอยู่สองอย่างใหญ่ๆก็คือประการแรกก็พยายามผลักไสถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบใจหรือว่าเป็นสิ่งที่ให้ทุกขเวทนาแก่เราอีกอย่างหนึ่งก็ คือการพยายามที่จะไฝ่หาเข้าครอบครองในกรณีที่เป็นสิ่งที่ให้ความพอใจแก่เราหรือว่าทำให้เราเกิดความสบายใจปฏิกิริยาสองอย่างคือผลักไสแล้วก็ไฝ่หาเนี่ยนะเป็นปฏิกิริยาที่สะสมมาจะเรียกว่าเป็นสัญชัติญาณของ เราทุกคนก็ว่าได้ปฏิกิริยาสองประการนี้เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนสมัยที่เรายังอยู่ป่าอยู่ถ้ำซึ่งประสบกับภัยคุกคามที่มันเป็นสัตว์ร้ายหรือว่าแผ่นดินไหวหรือว่าไฟป่านะรวมทั้งความ อดอยางขิวโหยปฏิกิริยาที่เป็นการพยายามปฏิเสธผลักไสซึ่งรวมถึงการหนีและก็รวมถึงการต่อสู้ที่เขาเรียกว่าสู้หรือหนีนะภาษาอังกฤษเขาก็ว่า fight or flight อันนี้มันเป็นปฏิกิริยาเดียวกันซึ่งช่วยให้มนุษย์เราเนี่ยอยู่รอดได้ ไม่ว่าในระดับบุคคลในระดับครอบครัวหรือว่าในระดับของที่เขาเรียกว่าเป็นสปีชีนะเพราะว่าเมื่อเราเจออันตรายสิงสาราศัตว์หรือว่าภัยธรรมชาติที่คุกคามเนี่ยการที่เรามีปฏิกิริยาผลักใสยรวมทั้งต่อสู้ขัดขืนหรือว่า หนีโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรนะไม่ทันต้องคิดอะไรพอเจอแม้แต่ว่าเพียงแค่เห็นเงาหรือว่าเห็นตัวนะแบบไม่ชัดเจนเนี่ยนะปฏิกิริยานี้ก็ทํางานทันทีโดยที่ไม่ต้องคิดนะหรือว่าถ้าเกิดมันมากระชั้นตัวเนี่ยก็สู้เลี้ยวแรงมาจากไหนก็ไม่รู้มันก็เข้าไป ต่อสู้นะก็เอาตัวรอดมาได้นะในทานองเดียวกันถ้าที่ไหนนะมันมีอาหารอุดมสมบูรณ์นะมันมีความสะดวกสบายนะมันมีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์นะแล้วก็เกิดแรงผลักที่จะเข้าไปหาสิ่งนั้นมันก็ทำให้เกิดความอยู่รอดขึ้นมาได้ปลอดภัยจากอันตราย นี่คือปฏิกิริยาที่มันช่วยทำให้มนุษย์เราเนี่ยอยู่รอดได้โดยเฉพาะในยุคที่เราต้องเผชิญกับภัยคุกคามที่มันเป็นสิ่งภายนอกที่ปรากฏเป็นชั่วครั้งชั่วคราวที่เราสามารถที่จะหนีได้สู้ได้และสู้ด้วยกำลังนะปฏิกิริยานี่มันจะมันจะก่อให้เกิด เรีวแรงนะฮะเ่ยแรงเช่นหัวใจเต้นเร็วนะเรียกว่ากล้ามเนื้อเนี่ยพร้อมที่จะทํางานจะสู้หรือหนีก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัตินะความดันนะก็เริ่มนะก็เริ่มขึ้นสูงน้ําตาลในกล้ามเนื้อที่สะสมไปมันก็เริ่มแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานพร้อมที่จะผลักไสพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะหนีนะนี่คือคกลไก ปฏิกิริยาสัญชาติยานพื้นฐานที่ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่รอดได้แต่ว่าในยุคปัจจุบันสิ่งที่เราเผชิญที่เป็นภัยคุกคามเนี่ยมันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งมันคือสิ่งที่จะอยู่กับเราบางทีก็เป็นเวลานานเช่นนะเราไม่ชอบหน้าคนในที่ทํางานเนี่ยเขาตําหนิเราเขาต่อว่าเรา หรือว่าเราตกงานหรือว่าเรามีปัญหากับลูกเรามีความกลุ่มใจกับสามีภรรยารวมไปถึงเราเกิดเจ็บป่วยขึ้นมานะซึ่งมันเป็นโรคเรื้อรังอาการอย่างนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะแก้ได้ด้วยลำพังเพียงแค่ว่าเราผักใสเราต่อสู้นะ เราไม่ชอบใครเราจะใช้กำลังกับเขาก็ไม่ได้แล้วเราก็ต้องอยู่กับเขาอยู่กับคนที่ไม่ถูกใจเราหรือว่าอยู่กับปัญหาที่ทําความรุ่มใจให้แก่เราและสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่อาจจะแก้ได้ด้วยสัญชตาตญาณหรือกลไกพื้นพื้น น, นะคือการใช้กำลังสู้หรือหนีแต่ว่า เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสัญชาติยานที่ฝังอยู่ในจะเรียกว่าอยู่ในระบบทั้งกายและใจของเราบางคนก็บอกว่ามันอยู่ในยีนเลยนะมันไม่ใช่แค่นั้นมันดูในจิตส่วนลึกของเราเพราะฉะนั้นพอเราพยายามที่พอเราเจออะไรก็ตามที่ไม่พอใจแล้วเราก็พยายามต่อสู้พยายามขัดคืน มันมันกลับทำให้เราทุกข์กว่าเดิมมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้ปรญหาเบ า, บาบางเหมือนกับที่เราเคยเจอปัญหาสมัยก่อนที่เป็นเรื่องสัตว์ ร, ร้ายที่เป็นภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวไฟไหม้อ้วนวิ่งหนีกันไปวิ่งหนีกันสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็รอดละแต่ว่าไอ้ความปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวปัญหาการทำงานเหล่านี้เนี่ยมันแก้ไม่ได้ด้วยกัน วิ่งหนีแก้ไม่ได้ได้การต่อสู้ด้วยพละงกำลังนะแต่มันต้องอาศัยวิธีการใหม่นะจากคนนี้เนี่ยพอเราไม่ได้ฝึกไม่ได้ไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้รู้เท่าทันกับวิธีการหรือปฏิกิริยาของกายและใจเนี่ยเราก็จะมีท่าที เป็นการต่อสู้เป็นการผักสายเป็นการไม่ยอมรับนะซึ่งมันทำให้ทุกเนี่ยบางทีเนี่ยหรือว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันเพิ่มพูนกับเดิมูกต่ ง, ง่ายๆนะมีนะชาวบ้านคนหนึ่งแกป่วยนะกป่วยกระสอบกระแสะเรื่อยมานะเวียนเข้าเ ว, วียนออกอยู่ ที่โรงพยาบาลเสร็จแล้ววันหนึ่งหมอก็มาบอกว่าป้าป้าเป็นมะเร็งนะแล้วก็จะอยู่ได้3เดือนนะพูดเท่านี้แหละแล้วก็ไปเพราะว่าคุณป้าท่านนั้นเนี่ยอยู่ได้แค่12วันก็ตายนะถามว่าทำไมถึงอยู่ได้แค่12วันตั้งที่ตัวโรคเนี่ยตัวการดำเนินของโรคเนี่ย นะมันจะไม่แสดงอาการจนกว่าจะสมเดือนแต่ทำไมาอยู่แค่สิบสองวันก็ตายนะเป็นเพราะที่ใจใช่ไหมใจไปกังวลว่าฉันจะอยู่ยังไงไปกังวลว่าถ้าฉันป่วยเนี่ยใครจะดูแลฉันหรือว่าฉันจะเจอความเจ็บปวด ย, ยังไงบ้างภาพที่เห็นจากคนไข้ที่เคยป่วยมะเร็งเนี่ยมันเข้ามา ตัวเองเนี่ยยังไม่ทันจะไม่ทันจะถึงขั้นนั้นเลยแต่พอไปเห็นภาพเนี่ยเกิดความกังวลเกิดความวิตกเกิดความกลัวนอนกินไม่ได้นอนไม่หลับนะตายเลยสิบสองวันเท่านั้นแหละกรณีบแบบนี้ไม่ใช่กรณียกเว้นนะเราจะได้ยินได้ฟังเรื่องแบบนี้ อ, อยู่บ่อยๆนะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าพูดอย่างง่าคือว่าเขา ไม่ยอมรับความจริง <Pedro. S 1> พอเขารู้ว่าเขาเป็นมะเร็งเนี่ยเขาก็ไม่ยอมรับความจริงว่าเขาเป็นมะเร็งเขาพยายามต่อสู้ก็เกิดความวิตกกังวลเกิดการพยายามที่จะผลักไสนะเขามีความทุกข์เขาพยายามที่จะไม่ยอมรับความจริงนะเขาไม่สามารถยอมรับความจริงได้ว่าเขาเป็นมะเร็งอะไรที่ทํำให้เขาไม่ยอมรับความจริงก็คือปฏิกิริยาที่มันพยายามผลักไสพยายามต่อต้านนะสิ่งที่มันเป็นความจริงอยู่แล้วนะ มันก็ทําให้ความทุกข์เนี่ยมันลุกลามยิ่งกว่าเดิมนะและใจของเราเนี่ยซึ่งมีปฏิกิริยาที่จะต่อต้านที่จะผลักไสไม่ยอมรับความจริงทั้งที่มันเกิดขึ้นกับเราแล้วเนี่ยใจแบบนี้เนี่ยมันทําให้ทุกข์เนี่ยมากขึ้นอาะมาเรียกว่าเป็นทุกข์ที่คูณสองหรือคูณสามนะแล้วเราจะพบว่าเวลาใจเราเนี่ยมันไม่ยอมรับอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะ ความทุกเพียงแค่เล็กน้อยเนี่ยมันก็ทวีคูณหรือว่ามันอาจจะเพิ่มเป็นตรีคูณคือคูณ2อคูณสได้เวลาเราทํางานแล้วเรารู้สึว่างานนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นงานของเราแ่เป็นงานของคนอื่นแต่ว่าคนแต่ว่าเนื่องจากเพื่อนเนี่ยเขาอาจจะไม่ไม่ดูแลไม่รับผิดชอบก็มากลายเป็นของเราไปนะพอเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่งานของเราแต่เราต้องทำเนี่ยเรา พอเราสึกปฏิเสธงานชิ้นนั้นขึ้นมาเนี่ยมันทุกข์กว่าเดิมเลยนะไอ้งานที่มันง่ายๆเนี่ยมันกลายเป็นความทุกข์นะแต่ถามว่าทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากงานชิ้นนั้นหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะแต่ส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นจากใจที่ไม่ยอมนะไม่ยอมทําไมต้องเป็นทําไมต้องเป็นชั้นนะทำไมไม่เป็นของคนทำไมคนอื่นเขาไม่ทำนะความรู้สึกต่อต้านแบบนี้เนี่ย มันทำให้ทําให้ความทุกข์ของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นท่านอาจารย์พรหมพรโมวังโสท่านเคยเล่านะฮะท่านก็เขียนไว้ในหนังสือชวนม่วนชื่นนะซึ่งหลายท่านอาจจะเคยได้ยินได้อ่า น, นท่านพูดถึงตอนหนึ่งที่สมัยที่ท่านยังเป็นพระหนุ่มๆพระนวกะอายุไม่มากคือถ้าเป็นชาวออสเตรเลียแล้วก็วันหนึ่งท่านก็ได้รับมอบหมายจากหลวงพ่อชานะฮะ สมนั้นก็หลวงพ่อชาตท่านก็ยังมีสุขภาพดีอยู่ให้ไปไปขนหินที่มันเหลือจากการกอร่อสร้างโบสถ์ที่วัดหนองปลาพงใช่ฮะมันมีกองดินกองหินกองทรายที่ค้างอยู่เป็นกองใหญ่ที่เหลือจากการกอร่อสร้างให้ขนย้ายออกมาจากที่นั้นไปที่ที่หนึ่งพระทั้งวัดก็ใช้เวลา สามวันเต็มเต็มคือตั้งแต่ชันตั้งแต่ชันชาคือประมาณ9ก้ามงไปจนถึงเกือบสามทุ่มนะก็เหนื่อยเหนื่อยกันทั้งนั้นแต่ว่าก่อนที่จะขนเสร็จเนี่ยหลวงพ่อชาก็มีกิจนิ ม, มนต์ไปไปไปที่อื่นอยู่หลายวันระหว่างที่หลวงพ่อช้าไม่อยู่เนี่ยท่านหลวงเจ้าวาท่านก็มาบอกพระในวัดว่า ไอ้ที่ย้ายไปตรงนั้นเนี่ยมันย้ายผิดที่ให้ย้ายไปอีกที่หนึ่งนะก็อีกสามวันนะนะเช้าถองค่านะเหนื่อยกันทั้งนั้นนะหลวงพ่อชากลับมาพอมารู้ว่าย้ายไปอีกที่นึงท่านก็บอกไม่ใช่ให้ย้ายกลับมาที่เก่าที่ท่านบอกอีกสามวันอาจารย์พรมนั้นบอกว่าไอ้ตอนที่ขนหินนะ รู้สึกมันหนักเหลือเกินนะท่านก็บนก่นว่าทาไมไม่คุยกันให้รู้เรื่องนะเจ้าอาวาสพระผู้ใหญ่ทําไมไม่คุยกันให้รู้เรื่องเสร็จแล้วก็มาเดือดร้อนพระผู้น้อยนะขนใบก็บ่นไปข น, นไปก็บ่นไปปราะว่ามันหนักขึ้นเรื่อยๆนะหินทรายหนักขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมีพระที่อาวุโสกว่าเป็นพระไทยท่านก็บอกอาจารย์พรมว่าปัญหาของท่านกนะ็คือว่าคิดมากไป นะคิดมากไปคือท่านดูสีหน้าเนี่ยนะของอาจารย์พรหมก็รู้แล้วว่าไม่พอใจก็เป็นการเตือนสตินะอาจารย์พรหมท่านก็เลยเออใช่นะเรามันบ่นไปทำไมท่านก็เริ่มปล่อยวางนะไม่บน่นแล้วท่านก็พบว่าพอปล่อยวางแล้วเนี่ยนะหินดินทรายที่ขนเนี่ยมันเบาวกว่าเดิมนะมันเบา มันเบากว่าเดิมนะี่คือ น, นี่เป็นตัวอย่างว่าคือคนเราเนี่ยเวลาเราไม่ยอมรับเราปฏิเสธนะเราบน่นเราตีโพยตีพายเนี่ยไองานเบาๆทีกกลายเป็นงานหนักได้นะสิ่งที่มันน่าจะกลายเป็นความปกติธรรมดาก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวกลายเป็นปัญหา แต่ที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องงานเรื่องการนะฮะบางทีเราได้อะไรมาเนี่ยมันก็น่าจะมีความสุขน่าจะมีความพอใจแต่ทันทีที่เรารู้เราเห็นว่าคนอื่นเขาได้มากกว่าเราเนะีเขาได้มากกว่าเราเราจะทุกข์ขึ้นมาทันทีเช่นโบนัสนะฮะเราได้ห้าหมื่นเราก็ดีใจ เราได้แสนเราก็ดีใจแต่พอเรารู้ว่าคนอื่นเพื่อวงงานแล้วเขาได้สองแสนนะไอ้ที่ดีใจเนี่ยมันทุกขึ้นมาทันทีเลยนะคน้นหมู่บ้านตา ม, มาเนี่ยไปถูกไปแทงหวยสิบห้าบาทถูกนะสามตัวได้หกร้อยก็ดีใจนะแต่พอรู้ว่าเพื่อนที่ทำงานด้วยกันเขาได้สองพันนะไอ้ที่ดีใจเนี่ย กลาเป็นเสียใจเลยนะซึมนะรู้สึกว่าเสียดายว่าทำไมตัวไม่แทงมากกว่านี้นะกลายเป็นทุกข์กว่าเดิมทุกข์กว่าตอนที่ยังไม่ได้ทุกยังยังไม่ได้ยังทุกข์กว่าตอนที่ยังไม่ได้แงทงทําไมถึงทุกข์ก็เพราะมีการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบทําให้ตัวเนี่ยไม่ยอมรับไอ้สิ่งที่ตัวเองมีอยู่อย่าว่าแต่เสียเลยอย่าว่าแต่ทํางานเลยแม้แต่ได้มา แต่ถ้าเราไม่พอใจในสิ่งที่เราได้มาพ่อไปเห็นคนอื่นก็ได้มากกว่ามันเกิดการปฏิเสธมันเกิดการไม่ยอมรับและตรงนี้เนี่ยมันก็มมนทำให้ทุกข์ได้และที่เราไม่ไม่ไ ม, ไม่เหตุผลที่เราไม่ยอมรับมันก็เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันน่าจะมันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้หรือเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมที่ฉันได้น้อยกว่าคนอื่น ความคิดแบบนี้เนี่ยความคิดว่าไม่เป็นธรรมความคิดว่าน่าจะได้มากกว่านี้น่าจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นตัวการที่ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นได้ไม่ใช่แต่เวลาเสียแม้กระทั่งเวลาได้นะแล้วตรงนี้เนี่ยคือปัญหาของคนในยุค ป, ปัจจุบันที่ มักจะมีเหตุผลมักจะคิดเก่งแล้วก็มักจะมีเหตุผลว่าทำไมต้องเป็นชั้นทำไมไม่เป็นอย่างนี้นะเมื่อเวลาเราเวลาเราเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจนะและเราปฏิเสธมันไม่ยอมรับมันนะมันทำให้เราเนี่ยมีความทุกข์มากกว่าเดิม ค่ถามว่าจะทำอย่างไรเราจะมาคิดว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะรู้เท่าทันปฏิกิริยาของกายและของใจปฏิกิริยาของกายเนี่ยเราพอจะรู้ทันมันอยู่บ้างนะแต่ปฏิกิริยาของใจเนี่ยมันเรามักจะรู้ไม่ทันนะเพราะว่ามันพุ่งไปก่อนแล้วมันไม่พอใจไปก่อนแล้วมันตีโพยตีพายไปก่อนแล้วนะ ใจมันบนอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งเวลาขับรถนะในกรุงเทพนะอยู่ในรถแอร์เปิดเพลงนะก็น่าจะสบายนะแต่พอรถติดเท่านั้นแหละเห็นสัญญาณไฟแดงเท่านั้นแหละความเครียดมันขึ้นเลยนะมันมีมันเกิดจากปฏิกิริยาต่อต้านไม่พอใจ ไม่ยอมรับนะเพราะว่าเราเนี่ยอาจจะใจเราไปอยู่ข้างหน้าว่าเจอไฟแดงนี้ฉันก็ไปถึงชาสิใจที่มันอยากใช่ถึงเร็วๆใจที่อยากถึงเร็วๆเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยไม่ยอมรับกับสิ่งที่เราเผชิญอยู่แล้เราคิดว่าปัญหาของคนเราในปัจจุบันเนี่ยคือเราไม่เรียนรู้ที่จะอยู่กับความเป็นจริง ซึ่งอาจจะไม่ถูกใจเรานะและที่เราไม่ยอมเรียนรู้ที่จะอยู่กับความจริงที่ไม่ถูกใจเราเพราะใจเราเนี่ยมันมักจะมองไปข้างหน้าว่ามองไปข้างหน้าด้วยความยึดด้วยความอยากว่ามันต้องเป็นอย่างโ น, น้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้แต่พอมันไม่เป็นไปตามใจเราแต่เป็นเพราะว่าเมื่อไเมื่อมันมันไม่ถูกใจเรา เราก็จะมีท่าทีต่อต้านมัน ท, ทันทีนี่แหละคือปฏิกิริยาผลักไสซึ่งอาตมาคิดว่ามันเป็นปัญหานะแต่เมื่อไรก็ตามที่เรามีสติและก็ทำใจยอมรับมันได้ว่านี่คือความจริงที่เกิดขึ้นแล้วไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบมันได้เกิดขึ้นแล้วมันคือความจริงแล้วมันก็จะอยู่กับเราอย่างน้อย นะก็ช่วยระยะหนึ่งอาตมาเชื่อถ้าเราเนี่ยเริ่มยอมรับความเป็นจริงที่ไม่ถูกใจเรายอมรับว่ามันเป็นธรรมดายอมรับหรืออาจะยอมรับไปกลายถึงขั้นว่ามันเป็นเช่นนั้นเองหรือเพียงแค่ยอมรับว่านี่คือความจริงที่มันจะต้องอยู่กับเราไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบมันก็จะไม่ไปจากเราภายในเร็ววันใจที่ยอมรับความจริงอย่างนี้เนี่ยมันช่วยทําให้ความทุกข์ มันลดลงไปได้เยอะความทุกข์อาจจะเรียกว่าหารสองหรือหารสามไปทันทีที่เราทำใจยอมรับมันได้ mm hmm. เช่นความเจ็บความป่วยนะที่แรกเนี่ยพอเรารู้ว่าเราป่วยหรือรู้ข่าวร้ายว่าเราเป็นโรคอะไรเนี่ยมันต่อต้านมันผักสายมันไม่ยอมแล้วก็ทำให้อาการรุนแรงขึ้นกว่าเดิมเครียดนอนไม่หลับนะปวดหัวความดันขึ้น แต่เมื่อเราตรนหนักว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแล้วแน่นอนเมื่อเราป่วยเราต้องรักษาแต่ไม่ว่าเราจะรักษาด้วยยาขนาดในก็ตามมันก็จะไม่หายภายในเร็ววันอย่างน้อยก็ไม่ไม่ได้ภายใน5นาทีหรือว่าชั่วโมงหนึ่งข้างหน้าเมื่อเราเริ่มที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเป็นจริงที่ไม่น่าพอใจ ความทุกข์ความอึดอัดความขับข้องใจแล้วก็จะบรรเทาเบาบางลงไปที่ป่วยนะก็จะกลายเป็นทุเนเราเนี่ยอย่าลืมว่าคนเราเวลาป่วยเนี่ยเราไม่ได้ป่วยกายอย่างเดียวเราป่วยใจด้วยได้บางทีความป่วยกายเนี่ยเอาความป่วยใจเนี่ยมันอาจจะมากกว่าความป่วยกายด้วยซ้ํา อย่างกรณีที่อาตมายกตัวอย่างนะของคุณป้าเนี่ยซึ่งที่จริงแล้วเนี่ย12วันเนี่ยแกก็ยังสามารถจะเดินเทินได้ปกติถ้าพูดถึงสภาพอาการของโรคแต่พราะใจมันไม่สู้มันปฏิเสธมันไม่ยอมรับความจริงกังวลตีตวไปก่อนไข้เนี่ยก็ทำให้ร่างกายเนี่ยุดไปกว่าเดิมนะมีบางคน นะเป็นชาวบ้านเหมือนกันกันค่ำนะ ก, กันคืนเดินลงมาจากบ้านเพื่อนบริเวณนั้นเป็นบริเวณที่มีงูเยอะนะพเพราะตอเดินลงมันไดก็ไปมันก็เกิดความรู้สึกเจ็บวาบที่ฝ่าเท้าแกก็ลองขึ้นมาเลยว่างูกัดนะแล้วก็ลอมลงไปต้องให้คนพาไปส่งอนามัยสมัยนั้นเนี่ยมันไม่มีมันไม่ ม, ม, ม, มีมันไม่มีไอ อะไรมันไม่มีรถเดินไม่มีแหลงสิ้นอะ่ะก็ต้องเรียกว่าต้องหามกันไปนะไปเจอหนามายหนมามบอกนี่ไม่ใช่งูนะไอ้ น, นี่มันลอยกะลามาพาวเนี่ยไปเหยียบกะลามาพ้าวแล้วมันมีแผลนิดหน่อยก็ไปเข้าใจเป็นงูเลยหมดแรงเดินไม่ได้นะแต่พอรู้เป็นกะลาหมาพาวเนี่ยเดินปลอกกลับบ้านไปเลยเนี่ยคือพอป่วยใจแล้วนี่นะโอ้มันอาการทางกายี่มันสุดยิ่งกว่ายิ่งกว่าเพราะสาเหตุทางกายเท้ ให้ธรรมะคิดว่าคนเราเวลาทุกเนี่ยธรรมายอยากรู้สึกว่าคนเราในปัจจุบันเนี่ยเวลาทุกเนี่ยธรรมาชื่อรประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันเป็นทุกทางใจเป็นทุกจากการที่ปฏิเสธจากการที่ไม่ยอมรับเริ่มตั้งแต่เจอรถติดนะมันจะหงุดหิดมันจะหัวเสียนะฮะเพลงพลงฟังเนี่ยก็ไม่พอแล้วนะ เพราะว่าพอเรามีความคาดหวังว่ามันจะต้องไปให้ได้ให้ถึงที่หมายภายในเวลา5นาที10นาทีหรือภายในเวลา1นชั่วโมงพอรถติดขึ้นมาเนี่ยมันขัดกับความน่าจะเป็นมันขัดกับความคาดหวังก็เกิดการต่อต้านทันทีไม่ยอมรับแต่ถ้าเราสามารถที่จะเรียนรู้ในชีวิตประจําวันเริ่มจากจา ก, การจราจรการเดินทางเนี่ยเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับรถติด อย่างเป็นปกติสุขให้ได้เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับความข้องขัดแดดร้อนอากาศหนาวเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันนะงานการที่อาจจะไม่มันไม่เป็นไปตามใจเราอาจจะมากไปอาจจะไม่เป็นไปไม่ไม่เสร็จตามเวลาเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันแต่ไม่ใช่ว่าไม่แก้นะไม่ใช่ว่าไม่จัดการเราจัดการ แต่ว่าเราจัดการด้วยใจที่ไม่อึดอัดไม่ปฏิเสธไม่ผลักไสเวลาคนเราเนี่ยเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจแล้วเกิดความปฏิเสธผลักไสเนี่ยมันจะคิดแต่เรื่องความน่าจะเป็นทำไมต้องเป็นอย่างนั้นมันจะอยู่กับอดีตไปโหยหาความอดีตที่เคยสบาย เช่นคนเวลาป่วยเนี่ยเวลานึกถึงก็จะทุกข์เพราะว่าอาดีตเนี่ยเคยเดินเหินได้แต่ตอนนี้ต้องมาต้องมานั่งต้องมานอนหรือไม่ก็ไปคิดกอนาคตว่าโอ้ถ้าฉันป่วยเนี่ยงานที่ค้างจะทําอย่างไรนะฉันป่วยแล้วเนี่ยฉันก็จะไม่เที่ยวได้เหมือนเมื่อก่อนฉันจะชีวิตของเราฉันจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมมันเบี่ยงไปกับอดีตกับอนาคตนะซึ่งก็ทําให้เราไม่รับความจริง ใจที่ไปติดอยู่กับอดีตใจที่ไปติดอยู่กับอนาคตนะมันทำให้เราเนี่ยไม่สามารถยอมรับความจริงทำให้เราปฏิเสธนะคราวนี้นอกจากการปฏิเสธแล้วเนี่ยหรือการผลักสายแล้วเนี่ยอันนึงที่เป็นปัญหาก็คือใจที่มันไฝ่หาใจที่มันยึดในสิ่งที่น่าพอใจนะ อันนี้ก็เป็นปฏิกิริยาหนึ่งของของใจอะไรที่มันน่าพอใจอันไรที่มันให้สุขเวทนากับเราเราก็ไปยึดมันนะแล้วพอเราไปยึดมันแคแล้วเนี่ยในแง่เนื้อคือว่าเราได้หลุดออกไปจากปัจจุบันเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วใจเราก็จะพวองใจเราก็จะมุ่งให้ได้สิ่งที่เรายึดสิ่งที่เราอยาก แต่ใจที่ทาให้ใจที่ยึดอยากนั่นเองเนี่ยมันก็ทำให้เราทุกข์กับปัจจุบันเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันยังไกลาจากสิ่งที่เรายึดไกลาจากสิ่งที่เราอยากและมันก็แปลคือว่าอะไรก็ตามที่เราอยากเนี่ยนะยิ่งเราอยากมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งไม่ได้ยิ่งอยากอย่างเช่นคนที่เวลาทำสมาธิอยากได้ความสงบ แต่เพราะว่ายิ่งอยากเท่าไหรเนี่ยใจยมันก็ยิ่งไม่สงบยิ่งอยากจะรู้ทันความรู้สึกนึกคิดแต่ถ้ามีความอยากเมื่อไหร่เนี่ยนะจิตมันยิ่งฟุ้งซ่านเข้าไปใหญ่นะคนที่ปฏิบัติทำด้วยความอยากนะมักจะมีปัญหาเพราะว่าจะทําด้วยความเครียด จะทำด้วยความรู้สึกคล่องขัดนะเพราะมันไม่ได้อย่างที่อยากนะและบางทีเนี่ยมันทำให้จิตเนี่ยมันเพียนไปเลยมีนักปฏิบัติธรรมบางท่านนะคือสำนักของอาตมาเนี่ยก็เป็นอ่เป็นการปฏิบัติแบบยกมือสร้างจังหวะให้มีสติรู้ในการเคลื่อนไหวของมือ ที่เคลื่อนไปมาไม่ได้ใช้ลหมหายใจนะแล้วก็มีคราวหนึ่งเนี่ยที่ที่สำนักหนึ่งเนี่ยซึ่งปฏิบัติแนวทางเดียวกันเนี่ยก็มีชาวบ้านเนี่ยนะแกก็ตั้งใจปฏิบัติมากนะตอนนั้นเป็นช่วงงานอบรมกรรมฐานที่จังหวัดขอนแก่นนะอาจารย์กรรมฐานก็คืออาจารย์ขรตามาหลวงพ่อคำเขียน วันหนึ่งท่านก็สังเกตว่าชาวบ้านเนี่ยคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านเนี่ยไม่มาทำวัดเชา้าท่านนี้แกขยันมากอันนั้นก็ไม่เท่าไหร่บอกว่าตอนเวลาอาหารเชา้าแกก็ไม่มาหลวงพ่อท่านก็เลยไปไปตามนะเพราะปกติก็ก็ต้องไปสอบอารมณ์อยู่แล้วนะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยท่านก็ไป พอฉันเสร็จท่านก็ไปหาก็ไปเรียกอยู่ข้างหน้ากุฏิวายโยมทาไมไม่มาฉันไม่มากินข้าวโยมคนนั้นเนี่ยพอแกได้ยินเสียงหลวงพอ่อแกก็ร้องขึ้นมาว่าหลวงพ่อช่วยด้วยช่วยด้วยหลวงพ่อว่าช่วยอะไรเหรอแกบอกมือผมค้างผมค้างมาตั้งตั้งแต่เช้ามืดแล้วเนี่ยคือตั้งแต่ตีสามตีสี่ตื่นมาก่อนทำวันเนี่ยมา มาสร้างจังหวะ ย, ยกมือเนี่ยค้างมาตั้งแต่ตีสามตีสี่จนเจ็ดแปดโมงเนี่ยยังเอาลงไม่ได้เลยหลวงพ่อช่วยด้วยช่วยด้วยนะหลวงพ่อทั้งกระ้แล้วว่าโยงคนนี้เนี่ยแกตั้งใจปฏิบัติมากแล้วแกแกตั้งใจปฏิบัติเนี่ยแกก็เลยพยายามเพ่งเพ่งเพ่งจิตเพ่งความคิดเพื่อไม่ให้ความคิดมันฟุ้งซ่านเนี่ย อยากจะสงบอยากจะให้มีสติรู้ตัวก็เลยไปเพ่งคอยเรียกว่าต้องคอยเฝ้าดูว่าจิตมันคิดมา่อไรเนี่ยก็ไปห้ามมันเลยนะก็ทําให้ทําให้คือพอจิตมันเข้าไหนเนี่ยจิตมันเพ่งเข้าไหนมามันเกร็งมันเกร็งเลยทีย่ปรากว่ามือก็ค้างแล้วก็ออมยันท่านทํำยังไงท่านก็ไม่ว่าอลไท่านก็ชวนคุยท่านไม่พูดเรื่องกรรมฐานเลยนะท่านไม่พูดเรื่องปฏิบัติเลยท่านก็ถามว่ามีลูกกี่คนนะ แกก็บอกมีลูกสี่ห้สี่คนลูกคนสี่คนนี้ไปไหนบ้างแกก็ไล่ฟังคนที่หนึ่งไปไหนคนที่สองทำงานอะไรพวกที่ส่วนใหจบแล้วนะอะ่หมายถึงว่าเรียนจบแล้วแล้วก็ทํางานอคนที่คนโตก็มีหลานหลานเป็นยังไงหลานมีกี่คนหลวงพ่อท่านก็ชวนคุยไปนะฮะสักพักมือก็ตกมือก็ตกแกก็ยังไม่รู้ตัวนะ แล้วพ่อชวนคุยเสร็จแล้วก็แล้วพ ก, ก็ชีอ่ามือตกแล้วเนี่ยโอ้แกแกก็ตกใจกมันตกแต่เมื่อไหร่คือพอพอใจเนี่ยมันสบายใจสบายใจไม่เพ่งเนี่ยนะมันก็ปล่อยนะเนี่ยคือคนที่ยิ่งอยากได้ยิ่งไม่ได้นะยิ่งอยากให้ใจสบายอยากให้ใจให้มีสติรู้ตัวเนี่ยมันยิ่งยิ่งทุกข์กว่าเดิมทุกข์กว่าตอนที่ไม่ได้ปฏิบัติเพราะว่า มันมีใจที่ยึดใจที่อยากนะอย่างที่เมื่อกี้เราได้ฟังคำบรรยายของอท่านอาจารย์ประโมทที่บอกว่าแค่อยากปฏิบัติก็ผิดแล้วนะเพราะว่าพอมันมีเพราะเวลามันพออยากปฏิบัติเนี่ยนะใจเนี่ยมันเสียสมดุลนะใจมันเสียสมดุลไปแล้วใจไม่เป็นปกติแล้วใจมันไปอยู่ข้างหน้าแล้วเหมือนกับการเดินทางเนี่ยถ้าอยากถึงเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันถึงชา เราเดินทางไม่ว่าจะเดินด้วยเท้าไม่ว่าจะเดินด้วยรถนะถ้าเดินทางไกลเนี่ยเราจะสังเกตเลยพออยากจะให้ถึงเนี่ยมันถึงชา้าเหลือเกินนะขาไปเนี่ยจะรู้สึกว่ามันใช้เวลานานนะแต่พอขากลับไปสังเกตไหมเนี่ยมันถึงเร็วนะเพราะใจไม่ไม่ไปไปพวงเป้าหมายเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันถึงเร็ว แต่ขาไปเนี่ยเราอยากจะไปถึงเป้าหมายเนี่ยใจเราก็จ่ออยู่กับเป้าหมายอยอะแยะถึงวายๆเยอะแยถึงไวยายาวๆเราก็รู้สึกว่าถึงชา้าแล้วบางทีมันไม่ใช่ความรู้สึกแต่มันเป็นความจริงเลยโดยเฉพาะถ้าเป็นการเดินด้วยเท้านะนะคนที่เดินด้วยเท้าเดินไกลๆเนี่ยจะรู้เลยว่าถ้าไม่ว่าจะเดินขึ้นเขาหรือว่าเดินเดินทางไกลเนี่ยถ้าใจอยากเมื่อไหร่เนี่ยมันจะถึงชา้า เพราะว่าใจที่อยากให้ถึงไวๆนั้นก็จะจำ้จำจำ้ำจ้ำแล้วถ้าเดินทางไกลเนี่ยเดินแบบนี้สักวันหนึ่งเนี่ยนะวันที่สองนี่ก็อาจจะเดี้ยงละนะขาปวดขามึย้ยแล้วถ้าเป็นเดินเขาเนี่ยไม่ต้องร้อยถึงร้อยถึงหนึ่งวันนะแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงก็เห็นผลแล้วคนที่อยากใจถึงไวๆเนี่ยนะพอเดินขึ้นเขาไปเดินขึ้นเขาไปเนี่ยนะ เดินไปได้สักถ้าขับเป็นเขาชันนะเดินไปได้สักครึ่งชั่วโมงเนี่ยหรือเดินไปสักสิบนาทีเนี่ยมันต้องพักละต้องพักบางทีพักกว่าพักพักนานกว่าเวลาที่ใช้เดินซะอีกนะชาวเขาเนี่เขาก็จะมีหลักนะเขาก็อาตมา ก, ก็ได้บทเรียนนี่จากชาวเขาว่าเวลาเดินเนี่ยนะให้เดินชา้ชาๆแล้วก็พักเนี่ไม่ต้องนั่งพักหรอกนะ บางทีแค่ยืนพักก็พอแล้พอลองเดินเนี่ยเดินช้าๆเดินช้าๆนะปรากฏว่ากลับใช้เวลาน้อยกว่าคนที่รีบเดินกลับถึงเร็วกว่าคนที่อยากจะถึงไวๆเพราะว่าพอเดินช้าๆแล้วเนี่ยมันไม่ต้องพักก็ได้เพราะมันได้พักระหว่างระหว่างที่เดินแนละ้มันได้พักทุกก้าว แต่คนที่อยากใช้ถึงเราไวเนี่ยเดินจ้ำมจ้ำมจ้ำเดินไม่รักสิบนาทีก็เหนื่อยเพราะทางมันชันต้องพักเพราะงี้นเนี่ยฝรั่งเขาเลยเขาก็เลยเขาก็เลยมันมีภาษิตว่านะถ้าอยากถึงถ้าอยากถึงไวเนี่ยกลับถึงช้านะถ้าไม่อยากถึงไวเนี่ยกลับถึงเร็วกว่าถึงไวกว่า阿拉คิดว่านะคนเราเนี่ยนะ เวลาเราเวลาเราจะทําแล้วก็ตามเนี่ยถ้าเราทําด้วยความอยากแล้วเนี่ยนะฮะบางทีมันให้ผลตรงกันข้ามมีคนนึ่งก็พูดว่าน่าสนใจว่าสาเหตุของความทุกข์ของคนในปัจจุบันก็คืออยากจะมีความสุขยิ่งอยากจะมีความสุขกับยิ่งไกลจากความสุข และคนนี้ปัจจุบันในติดในเรื่องนี้มากเพราะคิดว่าคนเราเกิดมาทั้งทีต้องมีความสุขความสุขเป็นสิ่งที่เหมือนว่าเป็นเป็นสิทธิทโดยอัตโนมัตินะและตรงนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาของคนปัจจุบันดยเพราะตอนนี้ในเมืองไทยก็เป็นกันเยอะฝรั่งนี่เป็นกันมากก็คือว่าชีวิตเนี่ยมันต้องมีความสุขถ้าไม่มีความสุขแสดงว่าเธอผิดปกติแล้ว ถ้าไม่มีความสุขแสดงว่าเป็นคนไม่ได้เรื่องเป็นคนล้มเหลวนะก็จะทำให้ต้องยิ่งแสวงหาความสุขเขาไปใหญ่และก็ยิ่งแสวงหาก็ยิ่งไกลาจากความสุขไปทุกทีสิ่งที่ในกรณีเช่นนี้นะะก็เช่นเดียวกันนะก็คือว่าเราให้รู้เท่าทัน ความอยากของเราและก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันให้ได้ใจที่อยู่กับปัจจุบันและพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันตามใดก็ตามที่เราไปจดจอ่ออยู่กับจุดหมายปลายทางข้างหน้าวาฉันต้องมีความสุขนะ ฉันต้องมีอย่างโน้นอย่างนี้นะใจที่ประจดจอยึดติดกับภาพฝันในอนาคตเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันหรือยอมรับปัจจุบันได้เลยเพียงแค่เรายอมรับ สิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้ได้เนี่ยด้วยใจที่เป็นปกตินะเพียงเท่านี้เนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นนะสำหรับการที่เราเนี่ยจะเข้าถึงความปกติสุขโดยที่ไม่ต้องไปสแสวงหาเพราะจะว่าไปแล้วเนี่ยความปกติสุขเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้อง แสวงหาเพราะมันมีอยู่แล้วทุกขณะมันมีอยู่แล้วในทุกขณะจิตของเราความสุขไม่ใช่สิ่งที่ต้องดิ้นรนแสวงหาแต่เป็นสิ่งที่ต้องมองให้เห็นเท่านั้นเองนะความสุขเป็นสิ่งที่แค่มองให้เห็นเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นสิ่งที่ ท, ที่ต้องดิ้นรน แสวงหาและไม่ต้องจำเป็นต้องไขวยคว้าหรือมีให้มากๆไม่่อจะเป็นทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงความสุขเป็นสิ่งที่ต้องรู้จักมองให้เห็นนะมันไม่มีอะไรที่จะต้องเข้าถึงนะเพราะว่ามันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นนะ ยัดสิ่งหนึ่งที่ทําปัจจัสาเหตุนี้ทําให้เรามองไม่เห็นเพราะเราไปอยู่กับอดีตกับอนาคตและไม่ยอมรับปัจจุบันขณะไม่ยอมรับสิ่งที่ปรากฏแก่เราในปัจจุบันถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยนะแม่ว่าจะเจ็บจะป่วยนะแม้ว่าจะงานการจะ ไม่ประสบความสำเร็จประสบมีอุปสรรคต่างๆแล้วก็ยังมีความปกติสุขอยู่ได้นะแต่ใจที่มันตั้งท่าปฏิเสธผักไสนะฮะตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยมันคืออุปสรรคตัวตัวใหญ่นะในการที่จะทำให้เราเนี่ยได้เห็น หรือว่าเข้าถึงความสุขโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปไขว่คว้าดิด้นรนหรือแสวงหาให้มากกว่าที่เป็นอยู่ตรง น, นี้เนี่ยถามว่าการที่จะทำให้เราเนี่ยยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ได้อย่างไรเนี่ยอลาลมาคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้คือการฝึก การทำการเจริญจิตภาวนาโดยเพราะถ้าเราเรียนรู้ที่จะเจริญสตินะถ้าหาว่าเราสามารถที่จะยอมรับความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่เกิดขึ้นกับใจได้ในขณะที่เราเจริญสมาธิภาวนาโดยเพราะการเจริญสติเนี่ยมันจะเป็นการวางรลากฐานอย่างดี ในการที่ทาให้เราเนี่ยมีท่าทีที่ถูกต้องต่อความเป็นจริงของชีวิตเวลาเราเจริญสตินะสิ่งที่เราสิ่งที่สำคัญก็ีอย่างเดียวก็คือการรู้รู้อาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายและใจแน่นอ น, นเวลาเราทำสมาธิภาวนาเนี่ย มันก็จะมีทั้งกุศลและอกุศ ล, ล, ศ ล, ลจิตเกิดขึ้นมันจะมีทั้งสุขเวทนาและทุกขเวทนาเกิดขึ้นสำหรับผู้ฝึกใหม่ทันทีที่เกิดสุขเวทนาขึ้นใจมันก็เข้าไปโอบเข้าไปกอดเข้าไปยึดเอาไว้ทันทีที่เกิดทุกขเวทนาขึ้นมันก็ผลักใสไม่ยอมรับอาจจะบ่น พุ่มพัมภธยในใจนะเวลาเกิดความคิดดีนะก็คลอเคลียกับความคิดนั้นเกิดความคิดที่ไม่ดีก็ผลักไสและการปฏิบัติเนี่ยนะที่เราไม่สามารถที่จะเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติได้เพราะมันมีท่าทีสองอย่างเนี่ยคือผลักไส กับไฟหาหรือปฏิเสธกับยึดติดและสองอย่างเนี่ยมันดูเหมือนตรงข้ามนะแต่เป็นเรื่องเดียวกันปฏิเสธกับยึดติดเนี่ยดูเหมนเผอเนี่ยมันตรงข้ามกันปฏิเสธคือผลักออกไปยึดติดคือเอาเข้ามาให้มากๆแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันเลยยิ่งเราปฏิเสธสิ่งใดก็ตามเนี่ยเราจะยึดมัน โดยที่เราไม่รู้ตัวเราเกลียดใครเราโกรธใครนะสังเกตไหมฮะเราก็จะคิดถึงคนนั้นเราก็จะคิดถึงอาการของเขาวิธีการของเขาคาพูดของเขานะนอนก็คิดกินก็คิดบางทีนอนไม่หลับนะกินก็ไม่อร่อยเพราะเอาแต่คิดถึงคนที่เราไม่ชอบเขาด่าเราเขาว่าเรา ใจมันผลักใจมันปฏิเสธใจมันไม่ยอมรับแต่แล้วเป็นยังไงใจมันก็เอาคำเขาเนี่ยมาคิดอยู่นั่นแหละนะทั้งที่คิดแล้วก็ทุกเน่ยนแต่ก็ยังไม่ไวายที่จะเก็บเอามาคิดแล้วใครที่เจ็บปวดนะเราก็เจ็บปวดเองนะเราเช่งชักว่าขอยแกลงลงนลกแต่ตอนที่ที่เราเชิงชักนะ่เราก็ลงนลกไปซะแล้วใช่ แต่เราก็ยังทั้งที่เราลงมืล็อกเราก็ยังไม่รู้ก็ยังแช่งชักหักกระดูนะอยู่นั่นแหละอาการที่เราพยายามผลักใส่เนี่ยนะแต่โดยตัวมันเองเนี่ยมันเป็นการยึดติดแบบหนึ่งเหมือนกับมือของเราเนี่ยมันไปถูกกลิ่นอะไรที่ไม่กลิ่นอะไรที่เหม็นๆ น, นะอาจจะไปถูกอกลิ่นขี้หมาก็ได้นะเหม็นนะ แล้วก็ล้างนะฮะเสร็จล้างเสร็จแล้วทงงํงานเราก็ต้องมาดมดมเสร็จแล้วก็ล้างใหม่เมื่อวานก็ต้องเก็บมาดมอีกน ะ, ะถามว่าดมแล้วมีความสุขก็ไม่มีความสุขเราไม่ชอบคนตําหนินะแต่พอเรารู้ว่ามีคนพอมีคนบอกว่านี่มีคนตําหนิเธอมีคนดินทาเธอนะเราทงํงานเราบอกไหนไล่าฟังดิไล่ฟังเชื่อ <laughs> แล้วเล่าทําไมฉันว่เล่าแ <laughs> ล, ล้วคุณมีความสุขหรือเปล่าแต่ทำไมอยากจะเล่านี่นเนี่ยคือ ลึกๆมันมันมันยึดติดน่ะนะเราสิ่งที่เราเกลียดเนี่ยเราอยากจะเข้าไปคลอเคลียอยากจะเข้าไปถูไถกับมันน่ะนะพระอาจารย์กำลังบอกว่าไอ้การปฏิเสธเนี่ยกับการยึดติดเนี่ยมันมันอันเดียวกันสิ่งที่เราปฏิเสธเนี่ยมันจะแฝงไปด้วยการยึดติดความเศร้าความเสียใจความสูญเสียการถูกตําหนิสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราไม่ชอบเราไม่ยอมรับ แต่ใจมันก็จะหวนคิดคานึงอยู่เสมอล้วมันก็เป็นการทิ้มแทงตัวเองแล้วเราเจ็บนะแต่แเราโทษใครฮะเราก็โทษคนเหล่านั้นเราโทษสิ่งภายนอกเราโทษคนเราโทษจราจรเราโทษดินฟ้าอากาศเราโทษการเมืองเราโทษใครต่อใครมากมายแต่สิ่งที่เราลืมไปคือเราลืมมองตัวเราเองว่าเป็นเพราะใจของเรานะที่มัน ดูเหมือนผักใสแต่ยึดติดไปโดยไม่รู้ตัวนะครัว่าไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมันเหมือนกับมันเหมือนกับว่าไอ้สิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยทุกโกวธนาก็ดีหรืออกุศลก็ดีอกุศลธรรมนะเช่นอารมณ์ความโกรธความเกลียดเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ย ม, ม, มันเหมือนกับว่าทันทีที่เราจะผลักมัน ผลักมันด้วยใจเนี่ยมันก็มันก็มีกาวที่ทําให้ใจเราต้องยึดติดติดนึกไปกับสิ่งนั้นสังเกตไหมฮะเราต้องการผลักใสความคิดนึกเช่นเวลาเราปฏิบัติธรรมมันมีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมีความกลัวเกิดขึ้นมีเกิดขึ้นเราพยายามผลักดันแต่พอเราพยายามผลักมันออกไปเนี่ยมันติดเลยนะฮะมันติดเลยจิตมันติดจิตมันสลัดไม่ไปนะ แล้วเราทำไงฮะเราก็พยายามกดมันเอาไว้กดความคิดเอาไว้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็ผดขึ้นมายิ่งกดมันยิ่งโผล่ยิ่งผลักนะมันก็ยิ่งโผล่นะมันเหมือนกับวัยรุ่นนะลูกวัยรุ่นนะยิ่งห้ามก็ยิ่งยูใช่มมันเป็นมันเป็นอาการเดียวกันเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ ที่จริงตั้งสอนมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าแล้วก็คือให้เพียงแต่รู้เฉยๆนะให้เพียงแต่รู้เฉยๆคือเห็นมันเฉยๆนะด้วยใจที่เป็นทุเบกขาไม่ว่าดีหรือชั่วไม่ว่าบวกหรือลบใจเราก็เป็นปกติเพราะว่าเรารู้เฉยๆหรือเห็นเฉยๆ แต่ถ้าเราพยายามไปผลักใสนะเราก็เข้าไปเป็นมาทันทีนะมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับมาร น, นะที่ฉลาดในการล่อให้เราไปติด ก, กับอาตมาเปลียนเที่ยวเหมือนกับการจับการดักศักดักษักเนี่ยมันดักด้วยสองวิธี อย่างแรกคือว่าเอาเหยื่อที่อร่อยไปล่อเช่นหนอนไส้เดือนปลาทีมนน่มันชอบหนอนมันชอบไส้เดือนเนี้ยมันเห็นไส้เดือนมันก็เข้าไปงับเข้าไปฮุบแต่ตอนทีที่มันเข้าไปฮุบมันก็เจอเจอแล้วเจอเบ็ดเกี่ยวแทงเข้าไปทะลุนี่คือวิธีดักจับสัตว์นะ ไม่ใช่กับปลาอย่างเดียวสัตว์อื่นด้วยก็เหมือนกันนะเอาของชอบนะมาล่อเพื่อให้มันเข้าไปฮุบเมื่อฮุบเนี่ยมันก็ติดเบ็ดอีกวิธีนึ่งเนี่ยเอาของที่ไม่ชอบนะนี่คือชื่อีที่เขาจับหรือเขาต่อต่อน ก, ต, อนกต่อไก่นะต่อนกต่อไก่ก็ทําอย่างไงก็ก็เอาไก่เอานกจากแปลงถิ่นเนี้ยเข้ามา เขามาล่อให้เจ้าถิ่นเนี่ยมันเข้าไปเจ้าถิ่นมันได้ยินเสียงเนี่ยมันก็เข้าไปไล่พอมันก็ไปไล่ไก่เข้าไปไล่นกเนี่ยมันก็เผลอเข้าไปในกับดักแล้วก็ติดกับดักของพรานยิ่งผลักยิ่งพยายามขับไล่เนี่ยมันก็ติดในกับดักนี่คือวิธีการของมารก็คือว่าบางทีมันก็เอาของเอาสิ่งที่เราเรียกว่ากามกามคือ กรรมคือลูกรดกลิ่นเสียงที่น่าพอใจนะคนเราเนี่ยพอเจ อ, อรทินาพอจํัมันก็เข้าไปเข้าไปยึดเข้าไปอยากหมายครอบครองก็ไม่ต่างจากปลาที่เห็นเหยือ่อมันก็ฮุบเสร็จแล้วก็เจอเบ็ดอันนี้เราเรียกว่าเป็นโทษของกรรมอาทินวะอาัศาธาคืออร่อย นะเนยเหยื่อเนี่ยมันอร่อยสำหรับปลาในเหยื่อเนี่ยมัอนอร่อยแต่อาทินวะหรือโทษของมันก็คือว่ามันปบดมันทุกข์มันติดนะชื่อสีงกิติยศเงินทองเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกามนะมันให้ความเพลิดเพลินแก่เราแต่ว่ามันก็ทำให้เราทุกข์ทำให้เราต้องยึดติดมันไม่มีไม่ได้นะไม่มีไม่ได้นะไ รถยนต์นะเสื้อผ้าสวยงามนะเรายึดว่ามันเป็นของเรานะแต่ ท, ทันทีที่เราไปสังคัญมั่นหมายว่ามันเป็นของเราเราก็กลายเป็นของมัน ท, ทันทีคือขาดมันไม่ได้นะรถเป็นรอยขีดข่วนโอ๊ยกินไม่ได้นอนไม่หลับเพชรหยองเพชรนี่เกิดหายไปนี่ หรว่มันเกิดติดอยู่ในบ้านที่กําลังลุเป็นไฟเนี่ยโอ้ไม่ไ ม, ไม่วิ่งเข้าไปหาเลยนะฮะปกป้องนะปกป้องเพชรนะตัวตาไม่เป็นไรแต่ขอให้เพชรอยู่ก็แล้วกันเราเป็นเรามันเป็นของเราหรือเราเป็นของมันฮะคนละปนเอาเงินมาเอาทองมานะโอ้ยยอมตายนะเพื่อรักษามันเอาไว้เราเป็นของมันไปแล้วนะฮะ ไม่ใช่มันเป็นของเราอันนี้นี่คือนี่คือท่ของกามแต่ขนาดเดียวกันนะมันก็มันก็มีสิ่งบางสิ่งที่เราไม่ชอบเรียกเป็นอกุศล น, นะเป็นเอ่อเป็นตัวทุกขเวทนาแต่ก็เช่นเดียวกันถ้าเราไปถ้าเราไปพยายามไปไปผลักสายมันนะเราก็ ตกอยู่ในอำนาจของมันทันทีก็คือยึดคือติดนะแบกมันเอาไว้เป็นการที่เราการที่เราเนี่ยเพียงแต่วางใจให้รู้เฉยๆนะไม่ไปผลักไสแล้วก็ไม่ไปยึดอยากหรือว่าไฝ่หารู้ มันจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นได้ไม่ว่าในระดับจิตใจหรือว่าในวิถีชีวิตในระดับจิตใจคือว่ามันเกิดอกุศลคิดไม่ดีขึ้นมาคิดดีขึ้นก็รู้เฉยๆและการรู้เฉยๆเนี่ยนะมันทำให้ใจสงบได้เพราะถ้าเราปฏิเสธไปผักสายเนี่ยมันก็จะบ่นตีโปรตีพายทำไมต้องเป็นชั้น นะหรือว่าหงุดหงิดลำคาญใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไปยึดไปอยากมันก็ทุกข์อีกอย่างหนึ่งเพราะว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่พอใจเมื่อใดก็ตามที่เรามีสติรู้ในอาการที่เกิดขึ้นในผัสสะที่เกิดขึ้นไม่ว่าทางตาหูจมกูกลิ้นกายรวมทั้งใจด้วยเมื่อเรามีสติรู้เฉยๆหรือเมื่อเผลอไปก็ระลึกได้ สติคือความระลึกได้นะไม่ลืมตัวเมื่อระลึกได้มันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่รักษาใจเป็นปกติเสียงจะดังแดดจะร้อนนะผู้คนจะพลุกพล่านเราก็เป็นปกติสึกอยู่ได้เพราะใจเรามีสติโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปหลบลี้หนีหน้าห่างไกลจากผู้คนหรือไปอยู่ป่า เนะสียงดังจิตกระเพิ่มขึ้นมาเกิดความงุ่หงิ่งลำคาญใจมีสติรู้มันก็วางได้ถ้ามีปัญญาเข้ามาประกอบด้วยว่าเออมันก็เป็นเช่นนั้นเองเสียงดังก็เป็นเช่นนั้นเองความเจ็บความป่วยความแก่ชาราก็เป็นเช่นนั้นเองทํางานแล้วมันมีอุปสรรคเจอปัญหา เดินทางเจอรถติดเป็นเช่นนั้นเองมันก็ทำให้เราเนี่ยมาเป็นการช่วยทาให้ใจเราเนี่ยยอมรับแล้วกม็มีสติได้ง่ายขึ้นนะและยิ่งเราเนี่ยสามารถถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะมีมุมมองว่าคือเห็นประโยชน์จากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นสิ่งที่ไม่น่าพอใจที่เกิดขึ้น การที่เราจะมีปฏิกิริยากับมันแล้วเราทุกข์เราก็มองมันในมุมใหม่ว่ามันก็มีประโยชน์นะมันเป็นสิ่งที่ช่วยฝึกใจให้เราเข้มแข็งสอนใจให้เราได้เห็นถึงความไม่เที่ยงหรือว่าเป็นสัญญาณเตือนภัยให้ได้่ะหนักว่าจะต้องเจอหนักกว่านี้ในอนาคตวันนี้เงินหายนะแต่พรุ่งนี้ บ้านรถยนต์ก็อาจจะไปการสูญเสียสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งของหรือผู้คนเนี่ยมันก็คือสัญญาณเตือนภัยให้เราตระหนักว่าต้องเจอหนักกว่านี้ในอนาคตแล้วมันก็สอนเราว่าความพัดพลากเป็นธรรมดาเป็นส่วนของชีวิตมันต้องมีการพัดพลาดจากกันถ้าไม่ก่อนตายก็ตายก่อนแค่นั้นแหละฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดแบบนี้เขาเนี่ยเออมันไอสิ่งที่เราสิ่งที่ไม่น่าพอใจความทุกข์ความสูญเสียความพลัดพลาดเนี่ยเราจะทำใจยอมรับมันได้ง่ายขึ้นแล้วเราจะไม่ใช่ยอมรับแต่เราจะยิ้มรับมันนะมันทำให้ชีวิตเราเนี่ยเป็นปกติสุขอยู่ได้ท่ามกลางความผันผวนปลุนแป ล, นป ล, นปลนในชีวิตท่ามกลางความเป็นจริงที่ว่าไม่มีอะไรที่เราควบคุมได้ ไม่แต่อย่างเดียวเพราะแม้แต่ใจเราเราก็คุมไม่ได้เราไม่สามารถจะคุมความคิดของเราได้อย่างที่ท่านอาจารย์ประโมทได้พูดเมื่อกี้นี้ว่าจิตของเราเนี่ยมันไม่คิดไม่ได้มันก็ต้องคิดเราจะคุมไม่ให้มันคิดไม่ได้ไม่มีอะไรสักอย่างที่เราสามารถควบคุมได้เพราะไม่มีอะไรที่เป็นเราไม่มีอะไรที่เป็นของเรา เลยแม้แต่อย่างเดียวคราวนี้เนี่ยถ้าเรามีสติดูใจของเราอย่างที่อาอตมาได้พูดมาแล้วก็อย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ท่านได้สอนมามันจะไม่ใช่เกิดแค่ความสงบนะฮะเมื่อเราเห็นอยู่เรื่อยเห็นอาการของกายของใจที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอารมณ์หรือเวทหรือความรู้สึกสังขารหรือเวทนา มันจะไม่ใช่แค่ความสงบที่เกิดขึ้นกับใจไม่ใช่แค่ความปกติที่เกิดขึ้นกับใจแต่ว่าก็จะเกิดปัญญาคือความสว่างขึ้นมาเพราะเราจะเห็นความจริงของรูปธรรมและนามธรรมโดยเพราะในระดับจิตใจของเราได้ชัดขึ้นที่แรกมาสงบก่อนเพราะจิตเป็นปกติอะไรเกิดขึ้นนะก็ไม่ผักสายไม่ปฏิเสธหรือว่าไม่ไปยึดหยา ยอมรับมันตามที่เป็นจริงจิตสงบอยู่ได้แต่ต่อมาเมื่อเห็นความเป็นจริงอยู่เรื่อยๆเห็นกายและใจเห็นความนึกคิดว่ามันแปรปวนแปรผันนะไอความคิดดีๆที่เราคิดว่ายอดเยี่ยมวิเศษแต่พอผ่านไปแค่หนึ่งวันนะกลายเป็นไม่เข้าท่าไปแล้วที่อุตสาหทะเลาะเบาะแวงคนเพราะเขาไม่เห็นด้วยกับเรา พอเราคิดว่านี่คือความคิดของเราไม่เห็นด้วยกับความคิดของชั้นก็คือไม่เห็นด้วยกับชั้นนะไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นมันเป็นชั้นมันเป็นของชั้นแต่พอผ่านไปแค่วันเดียวเราก็รู้สึกว่าเป็นความคิดที่ไม่เข้าท่าเสียแล้วนะรู้สึกอายเลยซ้ำที่จะคิดแบบนี้นะะมันทิ้งไปอย่างไม่ใหญ่ดีเหมือนกับเด็กที่อุตส่าห์ก่อกองก่อก่อปราสาททรายนะ เวลาเด็กกาะประสาททรายที่ชายหาญนี่ใครมาแต่ก็ไม่ได้นะนะห่วงแหงเป็นที่เลยนะแต่พอตกเย็นแม่เรียกกลับบ้านเอาไปดูหนังไปเที่ยวกันเด็กนี่ไม่เพียงแต่จะรีบวิ่งกลับบ้านนะบางทียังกระเทือบประสาษทรายนั่นสิไม่เอาแล้วทนะั้งนี้ตอนกลางวันนี่ยังโอ้รักษามันยังดีนะแต่พอตกค่าไม่เอาละ ไอ้ความรู้สึกยึดติดว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยหรือความหมายไม่นว่ามันเป็นของฉันมันเป็นของฉันเนี่ยเราเห็นเลยนะว่าใจเราเนี่ยมันปล่อยมันวางมันสลัดอย่างไรบ้างมันไม่มีอะไรจะเป็นของเราเลยนะยิ่งเห็นตัวทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นโดยเพราะในยามเจ็บยามป่วยมันยิ่งเห็นชัดหรือว่าสังขารเนี่ยมันยึดไม่ได้มันไม่น่ายึดถือและยึดไม่ได้ด้วย ความเจ็บความป่วยที่เรารู้สึกกลัวนะโดยเฉพาะเวลาเราเราเจ็บป่วยหนักๆแล้วเรารู้ว่าความตายมันมาถึงนะไม่ช้า ก, ก็เร็วเนะี่ยหลายคนเนี่ยในเวลาพูดถึงความตายนะบอกใจเนี่ยปล่อยวางได้เรื่องทรัพย์สมบัตินี่ปล่อยวางได้เรื่องรู้เรื่องหลานเนี่ยปล่อยได้นะหลายคนที่เป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ย ปล่อยวางได้เลยนะถ้าหากว่าจะต้องตายเนี่ยทรัพย์สมบัติลูกหลานแต่สิ่งึ่งที่กลัวก็คือทุกขเวทนาที่จะเกิดขึ้นไอ้ตรงนี้เนี่ยนะถ้าหากว่าเราเรียนรู้ที่จะมีสติรู้กับสิ่งต่างๆไม่ว่าบวกหรือลบที่เกิดขึ้นมันจะช่วยทำให้ใจเราเนี่ย สามารถที่จะยอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้และเราจะเราเราจะมีความเชี่ยวชาญในการอยู่กับสิ่งต่างๆแม้ไม่น่าพอใจได้แม้เป็นทุกขเวทนาก็อยู่กับทุกขเวทนาได้เมื่อมีสตริรู้เพราะว่าสตินั้นก็ช่วยทําให้ใจเนี่ยมันไม่เข้าไปในทุกขเวทนานั้นก็เห็นเวทนานั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะ มันเป็นทุกข์ของกายอันนี้พูดแบบภาษาชาวบ้านนะครมันเป็นทุกข์ของกายนะแต่ใจไม่จะเป็นต้องทุกข์ได้ไม่จะไม่ต้องทุกข์ด้วยอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ากายกระสับกระสายแต่จิตไม่กระสับกระสายได้เพราะมีสติเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนะเราก็มีความมั่นใจมากขึ้นว่านะแม้ว่าเวลาสุดท้ายใกล้จะมาถึงหรือเมื่อในายามที่เจ็บป่วยเนี่ย เราก็สามารถที่จะอยู่กับมันได้เราหมายถ่งนักปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งเหล่านี้ให้ได้ไม่เพียงแต่ปล่อยวางสิ่งที่น่าพอใจนะเท่านั้นนะการพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจเมื่อที่เราสวด น, นะทําวัดเช้าเนี่ยปิยหิวิ ป, วปโยโคทุกขโขนะอัปเยหิสัมปโยโคทุกขโข ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความพลัดพรก im, ากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์นอกปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่เนี่ยพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจเนี่ยทําใจได้ลูกทรัพย์สินนะคนรักแต่ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักคือทุกขเวทนาเนี่ยอืคิดหนักนะความเจ็บความป่วยถ้าเป็นมะเร็งเนี่ยจะทํำยังไงแต่สมาคิดว่าถ้าเรา สามารถฝึกใจให้ถนัดในการรู้เฉยๆไม่ผลักไสไม่ไฝ่หาไม่ปฏิเสธแล้วก็ไม่ยึดติดนะเราจะสามารถรเผชิญกับสิ่งไม่เป็นที่รักได้แล้วถ้าเรามีปัญญาเราก็จะเห็นว่าไอ้เป็นที่รักและไม่เป็นที่รักเนี่ยมันก็เป็นสมมุตินะ วิธีในการที่จะเผชิญวิธีในการที่จะทุกข์กับสิ่งไม่เป็นที่รักเนี่ยไม่ใช่การพยายามที่จะหนีมันเพื่อจะได้ไม่ไม่ต้องประสบกับมันไม่ใช่แต่คือการที่จะมองทะลุจนไม่เห็นอะไรว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ที่รักเพราะว่า สิ่งเป็นที่รักเนี่ยมันเป็นมันมันสิ่งเป็นที่รักก็าตามสิ่งไม่เป็นที่รักก็าตามเนี่ยมันเป็นสมมุตินะที่เกิดจากความหลงที่เราชอบมองอะไรนะโดยเอาใจของเราเนี่ยมามาเป็นมาตรฐานมาเป็นเกณฑ์สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันไม่ได้ดีไม่ได้ชั่วในตัวมันเองแต่มันดีมันชั่วมืดใจแล้วก็ไปเกี่ยวข้อง เหมือกัตอนที่หลวงพ่อเทียนท่านเริ่มบรรลุธรรมใหม่ๆเนี่ยหลวงพ่อเทียนก็ไปหลวงพ่อขอ ง, ของหลวงพ่อคำเทียนอีกทีก็มีคนมาถามว่าเกลือนี่มันเค็มไหมท่านก็บอกเกลือมันอยู่โน่นมันจะเค็มได้ยังไงถ้ามันอยู่อยู่ที่ป่าต้องจะเค็มใช่ไหมคือสิ่งต่างๆเนี่ยของมันหนักก็ต่อเมื่อมันแบกหินมันหนักก็ต่อเมื่อเราแบกน้ํามันขมก็ต่อเมื่อเราไปถูกกับมัน ที่หมมันเหม็นก็เมื่อเราไปดมมันแต่ถ้าไม่มีเราเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยสิ่งผู้นี้มันไม่มีไม่มีบวกไม่มีลบไม่มีดีไม่มีชั่วต่อเมื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันตางหงและเราไปเกี่ยวข้องกับมันด้วยอวิชชาด้วยความเอาความพอใจไม่พอใจเป็นที่ตั้งมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เป็นที่รักไม่เป็นที่รักกลายเป็นสิ่งที่ดีหรือชั่วแต่โดยธรรมชาติโดยสาระมันไม่ใช่ถ้าเรามีปัญญาเห็นตรงนี้เนี่ย มันมันรอมันมันเหนือเลยนะเหนือความรักความเกลียดเหนือความพอใจเหนือความไม่พอใจเพราะฉะนั้นมันไม่มีคําว่าประสบสิ่งไม่เป็นที่รักมันไม่มีคําว่าพลาดพลาดจากสิ่งเป็นที่รักถ้ามาถึงขั้นนี้แล้วเพราะฉะนั้นก็ปิดประตูทุกได้เลยนะเพราะทุกมีแค่สามอย่างพลาดพลาดจากสิ่งเป็นที่รักประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกแต่เมื่อเรามีปัญญา จนกระทั่งเห็นเลยว่าอที่รักและไม่เป็นที่รักเนี่ยมันมันเป็นใจต่งมันเป็นใจที่ของเราต่างหากที่เข้าไปที่ไปยึดถือมันตามความพอใจไม่พอใจของเราถ้าพูดอีพัสาันคือเอาเอากิเลสเป็นตัวตั้งหรือเป็นอัตตาที่ปฏิไทนะถ้าพอเรามีปัญญาจนเห็นตรงนี้เนี่ยมันไม่มีคําว่าประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักมันไม่มีคําว่าพัดผ่าจากสิ่งเป็นที่รักแล้ว มันอยู่เหนือสิ่งนั้นไปนแล้วเพราะฉะนั้นก็อาตมาถึงว่าปิดประตูทุกได้เลยนะเพราะฉะฉนั้นอาตมาคิดว่าเรื่องการที่เรามีสติรู้นะอยู่เฉยๆโดยที่ไม่ไปผลักไสและไม่ไปยึดติดนะะหรือว่าการที่เราเรียนรู้ที่จะอยู่ กับสิ่งที่ไม่น่าพอใจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้อาตมาคิดว่ามันเป็นมันเป็นพื้นฐานสำคัญเลยมันเป็นมันมันทำให้เราไปอยู่บนทางแพร่งนะที่สามารถที่อาตมาทำให้เราเนี่ยเลยจากทางแพร่งเนี่ยก้าวไปสู่ทางที่เป็น เป็นทางดับทุกข์ได้นะแต่ตัวอย่างที่อาตมาบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยไอ้ไอ้ไอความสุขหรือว่าการพ้นทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องไฟใยไขควาข้าไปให้ถึงแต่มันมีอยู่แล้วนะมันก็มีอยู่ท่ามกลางความทุกข์นั่นแหละนะในทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์อยู่ก็เหมือนกับว่าเราจะเปิดสวิตไฟเนี่ยสวิตเปิดกับสวิตปิดนี่สวิตเดียวกัน เปิดไฟกับปิดไฟก็กดสวิตซ์เดียวกันมีไหมฮะเปิดไฟกดที่หนึ่งปิดไฟกดอีกที่หนึ่งไม่มีทุกและความดับทุกมันก็อยู่ที่เดียวกันนั่นแหละฮะครูบาอาจารย์ท่งนบอกว่าในนิพพานมันอยู่ในท่ามกลางวัฏสงสารนั้นมันถึงไม่ใช่ว่าต้องไปสแสวงหาที่ไหนแต่มันมีอยู่แล้วในท่ามกลางกลองทุกในท่ามกลางความทุกนะ เพในทุกนั้นแหะ ม, มันมีสมุทัยอยู่และในทุกนั้นเนี่ยก็ชี้ทางชี้หนทางแห่ง ช, ชี้ถึงนิโรธและมรรคอยู่นะและทั้งหมดนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่เราเริ่มต้นจากการที่เราฝึกใจให้มีสติรู้อยู่กับปัจจุบันนะไม่ผักไสไม่ไฝ่หา อาตมาก็ใช้เวลาพอสมควรนะฮะก็ก็ขอจะยุติการสแสดงทําแต่เพียงเท่านี้